ถ้าจเจริญพรทุกทุกท่านไม่ได้ประยมจะเยอะขนาดนี้นะส่วนใหญ่ฟังธรรมะมากขนาดนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีส่วนใหญ่พวกเราชาวพุทธมันเป็นพุทธชื่อหรอกนะทุกวันหาคนสนใจคำสอนของพระพุทเจ้าจริงๆนะหายากทางเหนือนี่กลับมีมากพวกเราเข้าวัดไม่ใช่แค่ มาทําบุญทาทานมาถือศีลนะมานั่งสมาธิอะมันดีเท่านั้นแหละทำทานถือศีลทําสมาธิแต่มันยังไม่ถึงจุดสุดยอดในคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นนอกจากําทานถือศีลฝึกสมาธิต้องเจริญปัญญาจนกระทั่งถึงวิมุตต์วิมุตต์นจิตมันหลุดพ้นหลุดพ้นจากกิเลสหลุดพ้นจากความยิ่งนองกลุ่มแตง หรือพนจากกองทุกสิ่งที่เรียกว่าทุกก็คือกายกับใจของเราเนี้ยจิตมันจะพลักออกจากกายจากใจแยกออกไปอยู่ต่างหากคล้ายๆกายนอส่วนกายจิตข้ส่วนจิตความเลู่ยวแต่งวา่าจิตนึกเท่าไหร่แยกออกไปจากจิตไอ้เจจะเป็นอิสระมีความสุขถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราจะไม่มีคำสอนในขั้นเจริญตัญญา ส่วนการทำทานถือศีลทำสมาธินะ่ไม่มีพระพุทธเจ้าก็มีอยู่แล้วนะมีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเห็นว่ามันก็ดีท่านก็ไม่ละกฏิเศ ษ, ษรับเข้ามาไว้ในพุทธศาสนาอีก่อนที่หลวงพ่อจะพูดธรรมะให้พวกเราฟังนะรู้สึกว่าหัวข้อพิธีแห่งความรม่แจ้งนะข้อบอกกติกาหน่ยนะเวลาฟังธรรมะเนี่ยเหมือนเวลา ราข้าฝ้าพระพุทธเจ้าพระพธเจ้าทานปริมิพานท่านบอกว่าให้เราทำมารวิเนยะ์เป็นศาสดาแทนท่านงั้นเวลาฟังธรรมะเนี่ยก็คือเวลาข้าวเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วต้องสํารวมนะสํารวมกายสํารวมบาจาสํารวมจิตใจสํารวมใจก็ไม่ใช่ว่าทําใจให้นิ่งๆไม่รู้เรื่องหรือเรานันะไม่ใช่แต่ขั้นแรกเลยนะพวกเรา ระหว่างที่ฟังหลวงพ่อเทศนะมีกี้เขาประกาศแต่แล้วมือถือติดเสียงซะก่อนนะรูปเดียบินงไทยถ่ายรนะูปน่กวนสมาธิกวนข้างๆเราบาปเขาฟังธรรมพ่อจะได้ธรร ม, มานะแล้วนวะอกแวกเก็าเราไปถ่ายรูปนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ย, ยุยาบทไปกวนคนข้างๆนะเป็นบาปเป็นกรรมทำไมหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารยนะ์แอยู่ในวัดเนี่ย เดินลังนิดหนี่ยังไม่ได้เลยเดินพื้นกระเทือนไม่ได้เลยนะท่านจะเคาะตะตุม่มเมาท่านบอกว่าเกิดคนหนึ่งเขาตั้งสมาธิจะบรรลุมรรคผลอยู่แล้วเราไปเดินตึงตังไปควนคนอื่นเพราะบาปมากเลยนะในเวลาที่เราฟังเทศเนี่ยเราไม่รู้หอกว่าใครเขาจะเข้าใจธรรมะบ้างเราอย่ไปควนคนอื่นสงบสัมมาลมไปการที่ไปสู่ความรู้แจ้งความรู้แจ้งเป็นชื่อของปัญญาแล้วแัละ มันจะเกิดปัญญาได้เนี่ยอยู่ๆมันไม่เกิดหรอกปัญญาปัญญามันมีหลายระดับปัญญาที่มาฟังเทศน์นี่ปัญญาจากการฟังฟังหลวพ่อเทศฟังซีดีนะปัญญาจากการอ่านหนังสืออันนี้เป็นปัญญาของคนอื่นไม่ใช่ปัญญาของเราเมื็นปัญญาของพระพุทธเจ้าปัญญาของครูบาอาจารย์เราแค่ไปจําปัญญาของท่าน อย่างเราไปอ่านหนังสือนสืออ่านพระไตรปิฎกอะไรนะเราว่าเราเข้าใจธรรมะเข้าใจธรรมะเข้าใจด้วยความจำนะอย่างไม่ใช่เข้าใจด้วยจิตด้วยใจหรอกว่าปัญญา จ, จากการอ่านการฟังอะไรพวกนี้เป็นวิธีการทําให้เรารู้วิธีปฏิบัติเท่งนั้นเองนะอย่างที่เราไปฟังสงสัยว่าเรามีบุญวาสนาได้ฟังพระพุทธเจ้าเทศน์โดยตรงเลย ท่านเทศะไรท่านก็เทศวิธีปฏิบัตินั่นเองวิธีปฏิบัติทั่งความสนทุกเพราะท่านบอกเลยว่าองท่านเองนะเป็นแค่ผู้บอกทางนะท่านบอกทางให้เมือปัญญาจาักราญการฟังแนละ้วไม่แค่ไปรเรียนรู้ว่าทางที่ท่านบอกนะั้นเป็นยังไงเรายังไม่ได้เดินทางด้วยตัวของเราเองนะยังห่างไกลต่อมาฝนนิพพานมากเลยปัญญาอีชนิดหนึ่งปัญญาจากกาักรันคะิดเอาเรียว่าจินตามยิยะปัญญา ชิดเราเราก็ชิดวนเวียอยู่ในความรู้เก่าๆของเรานะความรู้ที่เจอปนด้วยกิเลสดนันการคิดของเราถึงจะคิดธรรมะนะมันก็อดเจอปนกิเลสเที่ยวไปด้วยไม่ได้อรนะยังไ ม, ไม่ไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้จริงหรอกสัญญาที่เราต้องเจริญให้ได้นั้นตทำให้ได้ถึงจะมีหน้ามีตานะมีชื่อว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนะ เรียกว่าภาวนามียปัญญาปัญญาจากการภาวนา <sm all> การเจริญสติเจริญปัญญาถ้าเราไม่รู้จักวิธีเจริญสติวิธีเจริญปัญญานีเราก็ไม่มีปัญญาชนิดนี้ถ้าไม่มีปัญญาอย่างนี้นะสู้กิเลสไม่ได้ปัญญาจากการอาร่านการฟังสู้กิเลสไม่ได้ปัญญาจากการคิดสู้กิเลสไม่ได้ต้องปัญญาจากการรู้แจ้งเห็นจริงในกายในใจของเรานี้ถึงจะสู้กิเลสได้ เวลาครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านสอนส่ว น, นใหญ่นะท่านสอนให้น้อมเข้ามาเปลี่ยนรูปตัวเองเพราะเราเคยได้ยินคำว่าอุปนัยโก้ไห ม, มอุปนัยโกคือร้อนเข้ามาหาตัวเองย้อนกลับมาเรียนรู้ตัวเองให้มากถ้าเมื่อไรเราเห็นความจริงของกายเมื่อไรเราเห็นความจริงของใจเมื่อแหละเรียกว่ามีปัญญาความจริงของกายคืออะไรความจริงของกายคือความไม่เที่ยงของกาย การที่กายนี่เป็นทุกข์ถูกความทุกขบิบคั้นอยู่ตลอดเวลาการที่เล่ากายเป็นแค่วัตถุธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นอนัตตาเนี่ยร่างกายเป็นอนิจจังทุกข์ขอนัตตานี่ถ้าเราเห็นอนิจจังทุกข์ขอนัตตาของร่างกายนะถึงจะเรียกว่ามีปัญญาจากการภาวนาการปฏิบัติจริงๆ แลดูจิต ด, ดูใจก็ต้องเห็นในจิตใจแล้เป็นไปด้วยความไม่เที่ยงเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยววายเดี๋ยวรอดแล้วก็ไม่รอดเลยแล้วก็ไม่เปลียนเลยแล้วก็ไม่หลงฟุ้งซ่านแล้วก็บาปูนั้นเปี่ยนไปแด้ในจิตใจมีแต่แบบไม่เที่ยงความไม่เที่ยงแล้วก็เป็นของจริงของจิตใจจิตใจถูกบีบคั้นด้วยสลาเวลาเวลามีความสุขนะความสุขนี้ก็ถูกบีบคั้นไม่นานก็สลายตัวความทุกข์ก็ถูกบีบคั้น ไม่มีหลอความทุกข์นิรันดร์ความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเหมือนกันรอดเกิดหลงเกิดขึ้นก็อยู่ชั่วคราวความรอดความฝืดความหลงตรงที่เห็นชั่วคราวนี้เรีเห็นอนิจจังตรงที่เห็นว่าความรอดความฝืดความหลงแล้วถูกบีบคั้นให้สลายตัวอยู่ตลอดเวลาเรมาเห็นทุกขังตรงที่เราเห็นว่าคัามีเหตุนะสิ่งสภาวธรรมเหล่านี้ก็เกิดพอหมดเหตุมันก็ดับเราบังคับมันไม่ได้ อย่างความโกรธเนี่ยถ้ามีเหตุความโกรธก็เกิดถ้าความโกรธไม่มีเหตุความโกรธไม่เกิดหรือเกิดมาแล้วเมืเหตุมันดับความโกรธก็ดับการที่สิ่งทั้งหลายแตงแตตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งเนี่ยเรอนัตตานะอนัตตาของร่างกายคือมันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราอนัตตาของจิตใจก็คือมันไม่อยู่ในอำนาจบังคับนะนี่เราจะต้องพยายามมาเรียนนะให้เห็นความจริงคือไตรลักษณขอกาย ให้เห็นความจริงคือใจรักของจิตใจให้ได้ถ้าเห็นความจริงของกายของใจได้นะครับเราก็จะเดินไปสู่ความหลุดพ้นตามเส้นทางที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าผู้เห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดหรือคลายความยึดถือเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติคือความเกิดหมดแล้วไม่มีเกิดอีกนะ คนมาจารนการธปฏิบัติธรรมจบแล้วไม่ต้องทําอีกไม่มีจิตที่ต้องทําอีกเป็นความบริสุทธิ์หมดพ้นเป็นภาระที่จบสิ้นในการปฏิบัติการที่เข้าถึงริมหลุดพ้นได้แล้วก็วเริ่มต้นมาจะเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราเบื่อหน่ายจึงใคราํานัดเพราะคราํานัดจิงหลุดพ้นเ้ราะหมดพ้นจึงว่าหมดพ้นแล้วท่านไหนเราจะเห็นความจริงได้ความจริงของร่างกายความจริงของจิตใจ สมัยที่หลวงพ่อไปเรียนจากหลวงพูดูลนครแรกนะวันที่6กคุมพาันสองพันธ์2 125, นะ้อยยี้าไปหาหลวงปู่ครั้งแรกเลยให้นะไปกราบท่านท่า น, นเพิ่งจานข้าวเสร็จนะไปกราบท่านหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติทนะ่านนั่งหลับจานเงียบไปนานเลยนะไม่พูดอะไรหรอกนะหลับจายอยู่ชั่วโมง หลวงปู่ดูลย์นี่เปครูบาอาจารย์ที่อาศจ ร, รย์ที่สุดที่หลวงพ่อเคยเจอหลวงพ่อเเรียนจากครูบาอาจารย์สามองค์หลวงู่ดูลย์แบบปลกเราอื่นเวลาเราเข้าไปเรียนจะมาถานด้วยทนะ่านไปถามทุ๊บไม่เจาะจแต่นั่งหลับจานเงียเงียบเรียนเกือบชั่วโมงนะเมื่อนตาให้มาถึงจะสอนท่านสอนหลวงพ่อว่าการปฏิบัติไม่ยากาการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะพวกไม่ปฏิบัติ ่านหนัสือมรามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองท่านสอนให้หลวงพ่อดูจิตแต่ประโยชน์ที่อยากให้พวกเราฟังก็คือการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะคนที่ไม่ปฏิบัติเท่านั้นแหละคนที่ไม่ปฏิบัติคือพ ว, พวกไหนพวกที่อ่านเอาฟังเอาคิดเอาอะไรไม่ได้ปฏิบัตินะี่อ่านฟังคิดเท่าไร่เท่าไหร่นะไม่เข้าใจนะส่วนการปฏิบัติจริงๆไม่ยากยาการปฏิบัติจริงๆคือการเรียนรู้กายเรียนรู้ใจ แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนทีเริ่มด้วยการเรียนรู้กายก็เข้าใจความเปจริงของกายเข้าใจความเป็นจริงของใจที่เป็นคนไปรู้กายด้วยบางคนจะเริ่มจากการดูจิตดูใจแล้วเข้าใจความเป็นจริงของจิตใจแล้วต่ไปว่าจะเข้าใจความเป็นจริงของร่างกายด้วยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงปู่เดินให้เริ่มจากดูจิตเอาแล้วจริยวิสัยหมอปราการดูจิตที่ท่านหลักตาไปนะท่าสูดแก้วยู่ ว่าควรจะทํากรรมฐานอะไรนะจุดสําคัญที่ท่านสอนตัวอย่าแรกก็คือการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผ้นั้นปฏิบัติถ้าการปฏิบัติคือการเรียนรู้ความจริงของกายการเรียนรู้ความจริงของใจร่างกายเรามีอยู่แล้วจิตใจเราก็มีอยู่แล้วดูมาเรียนรู้ความจริงของร่างกายเรามาเรียนรู้ความจริงของจิงใใตใจตนเองแล้วดูของตัวเองด้วยนะไปดูของคนอื่นมันไม่เข้าหลักไม่ฝันไม่โกงไม่ล้อมเข้ามาหาตัวเอง ยังไเดินโจนกลมนะยกเท้าย่างเท้านะพื้นเย็นพื้นร้อนพื้นห่อนพื้นแข็งทื้งหมดเลยนะี่รู้กายรู้ใจตัวเองประเดี๋ยวจะทำไมพื้นไม่มีใครเห็นพื้นตร็ตัวเราหรอกเห็นไหมพื้นแดงแๆเป็นตัวเราใครเห็นก็บ้านแะล้วลุ้ยแหลมันมีแต่เนี้ยอีกตัวเนี้ยตัวเราแลาวเวลาน้อมนะมาเรียนรู้ความจริขงของกายของใจของตัวเอง เราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้แต่ขั้นแรกเลยเราต้องรู้สึกตัวให้เป็นไม่ไดเห็นใส่เสื้อรู้สึกตัวนี้ๆเลยแต่ไม่ค่อยรู้สึกตัวหรอกมีแต่เสื้อนะใจลอยใจหนี้ไปใช้ไม่ค่อยรู้สึกต้องครียงรู้สึกนะขั้นแรกเลยก่อนที่เราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้ว่าเป็นใครรักเนี่ยเราต้องไม่ลืงกายลืงใจต้องคอยรู้สึกกายต้องคอยรู้สึกใจถ้าเรารู้สึกตัวเป็นนั่นแหละเรียกว่าเรารู้สึกกายรู้สึกใจได้คนในโอกเนี้ย หาคนที่รู้สึกตัวเป็นคนที่รู้กายรู้ใจตัวเองได้นะแทบจะนับตัวได้เลยเมื่อ30ปีก่อนหลวงพ่อเริ่มปฏิบัตินะเริ่มทีแรกปฏิบัติแต่เจ็ดขวบน า, านะล้วเป็นแต่ปี2 5งพ54ห้อหาส่ปีนะมาอนัเรียนกะท่านพุีวนานลสงกรานเรียนแต่เร่องสมาธิท่านอยู่สองสาปีเยท่านก็สิ้นไปให้ายังขึ้นนิพัานไม่ได้ ยังติดหรือทำอยู่สมาธิอย่างเดียวเลยนะนี่สสองปีมาเจอหลวงปู่เดิน่าปีสองหกถือขึ้นเดินปัญญาเป็นนะตอนที่จะเดินปัญญาได้แล้วหลวงปู่เดินท่านบอกให้ดูจิตตัวเองควจริงดูใก่ก็ได้นะบางคนดูไายบางคนดูจิตก่อนที่เรามาดูจิตใจตัวเองได้จิตใจเท่าอยู่กับเนื้อบรรตัวคนนะรู้สึก วิธีท่เราจะมาฝึกให้จิตใ จ, จอยู่กับตัวเองไม่หนีไปนะมีวิจิการถ้าเราไม่เคยฝึกจิตเราจะหนีไปเที่ยวตลอดเวลา่ะนีไปดูหนี้ไปฟังหนีไปดมกลิ่นนี้ไปริ้มรถหนีไปรู้สัมผัสทางกายหนีไปคิดนึกปรุงแต่งทางใจจะหนีตลอดเวลานะเวลาดูทีวีจิตเราก็ไหลไปอยู่ในทีวีนึกถึงดูข่าวเห็นข่าวสภ า, สภ า, สภารู้ตัวจิตนี้ไปอยู่สภานั่นนะจงจิตมันดีไปได้ ดูหนังนะห น, งหน้าพระโขนงดูเลยนะจิตที่อยู่พระโขนงจิตนี้ไปได้จิตไปเที่ยวได้นะจิลเาชอบออ ก, กเที่ยวเมื่อสาสปีก่อนที่หลงพ่อเข้าวัดนะเราฝึกแล้วท่านจิตเราเป็นผู้รู้แนะหันไปรอ บ, บตัวเมื่อคนในรอบไม่มีคนรู้สึกตัวใจคิดอย่างนี้เลยนะไม่ค่อยมีคนรู้สึกตัว กระท่านข้างต่ในตามวัดปฏิบัติแท้ๆเลยวัดครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์รู้สึกตัวครูบาอาจารย์ภาวนาเป็นคนส่วนใหญ่รู้สึกตัวไม่เป็นคนส่วนใหญ่หลงอยู่ในเรื่องของความคิดหลงอยู่ในเรื่องของความฝันตลอดเวลาตื่นุฉพาะร่างกายแต่จิตใจไม่เคยตื่นเลยทุกวันตื่นขึ้นมาร่างกายตื่นแต่ใจไม่เคยตื่นเพราะใจหลับใจฝันใจคิดใจเนอกใจปรุงใจแต่ง เวลาใจมันจะคิดตามกลางวันด้วยนะมันเป็นลักษณะเดียวกับความฝันตอนกลางคืนความคิดกับความฝันมานานเดียวกันถ้าคิดตามหลักเราก็เรียกว่าฝันนะฝันตามตื่นเราก็เรียกว่าคิดทั้งวันเองที่จริงมันเป็นสภาวะแบบเดียวกันที่จิตมันปลืองแต่งในโลามันมีแต่คนที่หลงในความปลืองแต่งะมันไม่มีคนที่ถอนตัวมาเป็นคนดูเห็นร่างกายมันปลืองแต่งเห็นจิตใจมันปลืองแต่งไม่เข้าใจ ว่าคนไม่สามารถคนทั้งหลายไม่สามารถที่จะถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บกบาลได้เลืไม่ได้มีพุทโธพุทโธว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้บกบาลบาทีเราหัดกรรมฐานนะเราเท่าพุทโธพุทโธพุทโธนะเราเป็นทุกข์แก้ไม่ขนถอยพุทโธไม่รู้ว่าพุทโธคืออะไรแท้จริงพุทโธคือจิตนั่นเองจิตที่เป็ผู้รู้จิตนั่นแหละคือผู้ตื่นจิตนั่นแหละคือผู้บกบาล จิตที่เต็มทั่วรเรื่องตรงข้ามกับจิตที่เป็นพวกจิตเมื่อไรจิตหนีไปคิดเมื่อนั้นไม่รู้หมือนตะเดือนเคยสอนนะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถูงรู้แต่อาศัยคิดไม่ห้ามความคิดนะคิดได้แต่คิดแล้วก็รู้ทันว่ามันมีวิคิดถ้าเมื่อไรเรารู้ทันว่าจิตมีวิคิดเมื่อนั้นจิตรู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ต้องสั่งให้เกิดมันจะเกิดของมันเองนะงั้นเราต้งฝึกให้รู้ทันจิตที่ไหลไปคิด เดีเราอยากได้จิตที่รู้ตัวไม่หลงไปในโลกของความคิดนะแทนที่ไปห้ามว่าอย่าคิดอย่าคิดไม่ห้ามให้มันคิดไปแล้วรู้ทันว่ามันคิดเราเบื่อหมดคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่อาศัยจิดถ้าอาศัยคิดให้มันคิดไปแล้วเรารู้ทันว่ามันคิดตัรู้จะเกิดตัวคิดจะดับเบื้องต้นเราต้องฝึกกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราไม่ฝึกกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเลยแล้วเราจะไปคอยรู้ว่าจิตหนีไปคิดเนี้ยรู้ยาก มันจะหนีไปคิดเป็นวันเลยในโลกคนที่ไม่เคยภาวนานะภาวนาไม่เป็นเนะี่ยเขาหลงจิตมาละครั้งเดียวคือตั้งแต่ตื่นจนหลับวันนึ่งหลงครั้งเดียวคือตั้งแต่ตื่นจนหลับก็ ค, คือไม่คืยรู้สึกตัวเลยถ้าเราภาวนาเป็นจิตราตื่นขึ้นมานะแล้วแต่เดี๋ยวมันก็จะหลงไปคิดอีกแล้วก็รู้สึกหอีกก็จะตื่นขึ้นไปอีกวันนึงเราจะตื่นได้เป็นวันครั้งพันครั้งหมื่นครั้งยิ่ตื่นได้บ่อยยิย่งดี จเตือนไหลได้ก็คือรู้ทันว่าจิตไปคิดไดเพียงไม่ใช่คิดตั้งสามช่วโลงแล้วก็รู้ตัวว่าหลงไปคิดแล้วนะวันหนึ่งได้ไม่กี่ครั้งถ้ามาทีหนึ่งไหลไปคิดนาะทีหนึ่งเรารู้ตัวว่ามันไหลแตแล้วนกะ็จะได้ลรู้ตัวขึ้นมาหลงนาทีเดียวยิ่งหลงสั้นยิ่งดนะียิ่งหลงสั้นยิ่งดีก็รู้จะเกิดบ่อยไม่ใช่ตัวรู้เกิดนานนะแต่ตัวรู้จะเกิดบ่อย แล้ว เ, เวลาให้ฝึกกรรมฐานอย่างหนึ่งก่อนเพื่อไม่ให้จมวิ่งหนีไป น, นานจะพุทโธเขาได้จะนิลมหายใจเขาได้จะดูท้องพองยุดก็ได้จะเดินจงกรมเขาได้นะยกเท้าย่างเท้าจะขยับมือทำจังหวะเขาได้อะไรก็ได้เมื่อกั้นทำกรรมฐานเช่นดังลงที่เราถนัดทำกรรมฐานอะไรแล้วสบายใจเอาอนะันนั้นแหละทำกรรมฐานอะไรแล้วตื่งใจด้วยไปเอาเมันกรรมฐานมีตั้งเยอะตั้งแยะนะ คนไหนฟื้นตัวแล้วสบายใจก็ฟื้นตัวไปคนไหนรู้ลมหายใจแล้วสบายใจรู้ลมหายใจนะคนไหนถหนัดดูท้องฟังยกแล้วสบายใจดูท้องผฟังยุบไปอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้ทําเพื่อให้จิตไปสุขอยู่กับอารมณ์กรรมฐานไม่ใช่พุทโธเพื่อหจิตไปอยู่กับพุทโธไม่ใช่รู้ลมหายใจเพื่อหจิตไปนิ่งอยู่ที่ลมหายใจ ไม่ใช่เดินท้องพวงเพื่อให้จิตไหลก็อยู่ที่ท้องไม่ใช่เดินจผ็ผพให้จิตไปอยู่ที่เท้านะการที่น้องจิตไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งนนะั้เป็นสมรรถะกรรมฐานเในการเที่ยงอารมณ์ได้แต่ความสุขได้แต่ความสุขได้ความสดชื่นแต่ไม่สามารถเดินปัญญาต่อได้สมาธิที่จะใช้เดินปัญญานนั้นเป็นอีกแบบหนึ่งไม่ใช่จิตเป็นนิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวแต่จิตนั้นถอนตัวออกจากอารมณ์นะ อย่างพวกที่ทําสฐานหรือลมหายใจนะจิตจิตอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็สบายเลยไม่นสนใจอย่างอื่นอย่างนี้ได้แต่ความสุขความสงบถ้าพวาที่จะเจริญปัญญานะจะรู้ทันจะต้องใช้วิธีรู้ทันจิตที่ไหลเข้าไปที่ลมหายใจเวลาเรารู้ลมหายใจแนละ้วจิตจะไหลเข้าไปที่ลมหายใจให้วให้จิตเคลื่อนไปที่ลมแล้วทันทีที่เร็ว่าจิตเคลื่อนนะจิตรู้จบเกิดบาทีมันก็ไม่เคลื่อนไปอยู่ที่ลมแตมันเคลื่อนไปคิด หลวงพ่อจะทดสอบให้ผู้วดู่จิตมันแอบปคิดได้เดี๋ยวเราจะหยุดพูดแบบหนึ่งนะเพื่อเราคอสังเกตจิตห้ามคิดนะตามที่หลวงพ่อหยุดพูดนะห้ามผู้หคิดอา่าจะหยุดพูดแล้วคิดไหเนี่ยหัดรู้ทานจิตที่จิดอย่างนี้นะ เดี๋ยวมันจะชอบไปคิดนะขณะที่คิดสังเกตดูให้ดีขณะที่เราคิดนะเรามีร่างกายเราไม่หลุมร่างกายเรามีจิตใจนะเราก็หลุมจิตใจของตัวเองเรารู้อะไรหู้เรื่องที่คิดขณะที่เป็นเรื่อที่คิดนะเรียกว่ารู้อารมณ์บัญญัตินะขณะที่รู้ทันว่าจิตไหลไปคิดนะเรียว่ารู้อารมณ์ปรมาทัณฑ์ท่านพระครูเกษมท่านจะมาสอนใช่ไมมาไมวันนี้ท่านเทศแตยัง โอ้ท่านก็เก่งเรื่องปรมัดกับสมมุตินะเดี๋ยวไปลองถามท่านดูส่วนใหญ่มันจะไปหลงกันเรื่องสมมุติเรื่องทจิตนะเอาแล้วเหตุเขาจะยิดพู้อีกครั้งหนึ่งห้ามคิดนะทดสอบคิดไหมบางคนเรื่อนมาจิตไปจากวิที่ลมหายใจแล้วพุทโธใหญ่พุทโธพุทโไม่ได้คิดนี้เนี่ยควาจริงคิดพุทธนะเจอ้แหละรือเท้าเฝ้าหนอเลื่หนอมีคิดนะ ดังนั้นตราบใจที่ยังฟังหนอยุคงหนอยอยู่ไม่ขึ้นวิพพานนาะยังคิดอยู่นะคือจาชื่อหลวงพ่อพุทธฐานิโยได้ไหมหลวงพ่อพุทธเปนคบ า, ชชาอจารง่ของหลวงพ่อแนละทนสอนดีมากเลยถ้าบอกว่าสมถะเนี่ยเริ่มมาหมดความจนใจวิพพานเริ่มมหมดความคิดดั้เราจะำึำนิพพานเจริญปัญญาได้นะต้องลกกจาโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัววิธีที่จรู้ หลกกรมาจะเรื่องของวันคิดนะคือรู re really ้ทันจิตที่เคลื่อนไปคิดหรือรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเพยงอารมณ์บันไดหนึ่งรหัสพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดเรารู้ทันว่าจิตนี้ไปคิดจิตรู้จะเกิดเราไปรู้ลมหายใจนะจิตนี้ไปคิดเราก็รู้ทันก็จิตรู้เกิดหรือจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจไปเพียงลมหายใจเรารู้ว่าจิตไปอยู่กับลมหายใจแล้วตัวรู้จะเกิดเมื่อไหร่รู้ว่าจิตเคลื่อนไปดันั้จิตจะตงมันอัตโนมัติ เคยได้ยินคำว่าสมาธิใช่ไหมล่ะสมาธิไปเกิดเพราะเจราญนักเกลียดดีนะสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นผู้หลามักว่าชอบไปแสมาธิว่าสงบสมาธิแปลว่าความตั้งม่นของจิตจิตที่ตั้งมั่นก็คือจิตที่ไม่ไหลไปไหนหนึ่งไม่ไหลไปคิดถึงไม่ไหลไปเพ่งนะให้เราค่อยๆหัดต่ทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เครื่องนับเครื่องไปคิดรู้ทันเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันนะ เอาละเร า, ามีหายใจทุกคนนีลมหายใจของตัวเองนะแล้วก็รู้ทันเวลาจิตมนันหีไปคิดรู้ทันจิตมันไหลไปจับที่ล ม, มหายใจรู้ทันเราทํำดูสักเพียงนาทีเมาสุดเรานะเดี๋ยวจะพากันกลับบ้านหมดนะใครไปรู้ทันนะทุกวันต้องทํากรรมฐานทํากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาก่อน 15นาทียีสนาทีอะไรก็ทํานะทุกวันต้องทําแล้วก็ไม่ใช่ทํากรรมฐานเพื่อให้จิตนิ่งๆแต่ทํากรรมฐานเพื่อจะรู้ทันจิตจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลให้ไปเพ่งอารมณ์เพ่งล ม, มหายใจเพ่งมือเพ่งเ้าเพ่งท้องอะไรนะรู้ทันฝึกตัวนี้ดีมากแล้วเราจะได้ตัวรู้ขึ้นมาหลกงพ่อฝึกตัวเองนะฉะนันถ้ามีตัวรู้มาตั้งแต่เป็นโยม ข้าไปหาคือบาจารย์นผู้หลักผ ja ู้ใหญ่อย่างหลวงปู่สินพระทาจาโรเราเข้าไปเห็นหลวงปู่สินเห็นหน้าหลวงพ่อนะท่านจะเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้นะท่านไม่รู้จักชื่อท่านเรียกผู้รู้เลยเพราะผู้รู้ผู้ได้ทําอย่างนี้ผู้รู้อย่าทําอย่างนี้อะไรเงี้ยท่าสอนทำไมท่าเรียกว่าผู้รู้เพราะว่าจิตเราเป็นผู้รู้ทำไมจิตเป็นผู้รู้เพราะว่าจิตไหลไปแล้วเรารู้ทัน ตัวรู้จะเกิดขึ้นตัวนี้ตัวสาคัญมากนะถ้าเราไม่มีจิต ท, ที่เป็นผู้รู้ผู้ตืน่นผู้เบิกบานนะเราไม่มีตัวพุทธเถ้าตัวจริงนะเราจะไปเดินปัญญาไม่ได้ใครถึงคนที่เจริญปัญญาเพราะตัวจิตผู้นี้นั่นแหละไปเจริญปัญญาตัวพุทคิดมันเจริญปัญญาไม่ได้เพราะความคิดมันก็พาไปคิดนั่นแหละได้ปัญญาจากการคิดหรือตัวฟังนะตัวฟังมันก็ได้ปัญญาจากการฟังตัวดูมันก็ได้ปัญญาจากการการดูนะต้ามีตัวรู้นะ ถึงจะได้ปัญญาจากการรู้นะมีตัวชิดได้ปัญญาจากการคิดเอาได้ตัวมีตัวดูนะจิตไปดูม่ได้ปัญญาจากการดูจากการฟังนะไม่ใช่ปัญญาจากการรู้นี่เราต้องมาฝึกจิตให้เป็นผู้รูให้ได้นะทุกันต้องทำนะเพื่อพัฒนาตัวเองคนที่เรียนกรรมฐ า, านกับหลวงพ่อเนะี่เดือนหงอเดือนสามเดือนเนี่ยจำานีนมหาศาลเลยที่ได้ตัวรู้ขึ้นมา พอได้ตัวรู้ขึ้นมาแล้วอย่ารู้ตัวอยู่เฉยๆตอนที่ได้ตัวรู้ขึ้นมาเนี่ยเพิ่งจะได้เครื่องมือของการเดินปัญญายังไม่ได้เจริญปัญญาเลยนะหน้าห้ปีก่อนนะเราพ่อสอนโยมมาเยอะเลยไปที่ไหนที่ไหนมีคนรู้ตัวนะที่ใส่เสื้อรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยพอไปไปเปลี่ยนเ ส, สะนะใส่ว่าแยกธาตุแยกขันเออให้มันพัฒนารู้สึกตัวอยู่เฉยๆไม่ได้อะไรก็ได้แค่รู้สึกตัวไม่หลงเท่า น, นั้นเอง แต่นะต้องแยกธาตุแยกขันธ์นะรู้จักหลวงตามหาบัวไหมหลวงตามหาบัวเคยสอนนะบอกว่าถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นนะอย่ามาคุยหนักเรานะว่าเจริญปัญญานี่จะเจริญปัญญาได้ต้องแยกธาตุแยกขันธ์เป็นอันนี้ไม่ใช่เฉพาะครูบาอจารสายปฏิบัตินะที่พูดสายตรียักษ์ก็สอนอย่างเดียวกันในอะภิธรรมเรานะสอนปัญญาตัวที่หนึ่งนะชื่อมารเรื่องปริเฉทิญาน น้บเลืปริเฉดทุกอย่างที่อย่างแยกรูปอแยกน้ำไม่ใช่ดูว่าท้องพองอันหนึ่งท้องยึบอันหนึ่งนะยกเท้าอันหนึ่งย่างเท้าอันเนึ้อนั่นไม่ใช่แยกเลืดแยกน้ำไม่นั่นแยกเลือกับเลือดอันหนึ่งกับเอันหนึ่งไม่ใช่แยกเลือดแยกนาำมไม่ขึ้นไม่ตัดสนับหอกขึ้นไม่ได้หรอกต้องยกเลือดแยกน้ำให้เป็นวิธีหัดแยกคือพอเรารู้ตัวเปนแล้วการอื่นต้องไปหัดรู้สึกตัวให้ได้ก่อนนะจิตไหลาล้วเนจิตไหลเนื้ซ้ทุกวันเลย ตาใจพอจิตไหลแล้วรู hearing, ้นี่เรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเนี่หักเรียกรูปแจ็คหนามนั่งอย่างนี้แหละนั่งอย่างที่พวกเรานั่งอย่างนี้แหละนั่งแล้วก็ค่อยๆสังเกตไปร่างกายมันนั่งใจเราเป็นคนดูร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูสังเกตไหมร่ากายที่นั่งอยู่เป็นของถูกดูสังเกตไหมจิตใจในร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าเป็นของถูกดูเราจะค่อยๆสังเกต เดีกยพอจะหยุดเพว่อีกแล้วให้พวกเราคอยสังเกตว่าร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยคือของที่ถูกรูถูกดูบุคคลจะดูมันนั่งบุงคคที่ดูมันหายใจเนะี่ยเราจะดูนะเราจะค่อยๆหัดดูเราจะจะรู้สึกเลยเหมันมันเป็นคนอื่นไม่ใช่ตัวเราหรอกเราจะดูร่างกายมันนั่งอยู่เนี่ยเหมือนเราเห็นคนอื่นนั่งนะใจเราเป็นแค่คนดูมันจะไม่ใช่ตัวเราอีกต่อไปแล้ว เราดูร่างกายนั้นหายใจออกหายใจเข้าใจเราเป็นคนดูร่างกายนี้จะไม่ใช่ตัวเราอีกต่อไปแล้วนะจะเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมันถึงหนังใบ ห, หนึ่งนะมีลมไหลเข้ามีลมไหลออกอยู่ตลอดเวลานะใจเราเป็นแค่ผู้ดนะูผู้ดูเนี่ยเฝ้าดงเฝ้าดูเรื่อยๆไปนั่นจะเห็นในร่างกายนี้ถูกความซเ้งดิบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจออกก็ทุกขหายใจเข้าก็ทุกข์นะนั่งอยู่ก็ทุกข์นะ แล้วก็มันก็ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่วัตถุมันเป็นแค่ก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลหออกตลอดเวลานี่คือ ด, ดูของจริงนะไม่ใช่เรื่องคิดเราแต่ต้องดูเอานะรู้สึกไหมร่างกายมันถูกดูอยู่ลองยกมือสิลองยกมืออย่าไปตีหัวคนข้างเข้านะลองขยับมือนะไม่ต้องแก้ขยับมอืดอดๆนะอย่างนีนะอนี้มากแต่ขยับธรมมธรมชาติเคนะ่อนไหวตามธรรมชาติเคลื่อนไหวไป มร่้สึกไห่ร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูนะค่อยๆไปหักนะค่อยๆหักไปหักอยู่วันสงวันก็เสร็จล้หล่ะยากอะไรหรอกนะพอกายกับใจมันแยกกันนะร่างกายเคลื่อนไหวใจคือคนดูได้นะนั่งต่อไปอีกคราวนี้นั่งให้นานเลยเอาให้ไม่อยไปเล ย, เลยนะพอนั่งจนไมื่อยขึ้นมาเราค่อยๆสังเกตร่างกายมันนั่งอยู่ทีแรกเมื่มอยความเม่มันมาทีหลัง ความเมื่อยกัร่างกายเนี่ยคคตรละอันกันเดี๋ยจะเริ่มแยกความปวดความเมื่ยคือตัวเรทนาออกจากขันอื่นๆแลนะเดี๋เห็นในร่างกายมันนั่งอยู่ใจเราเป็นคนดูนี่มีสองขันนะมีรู ป, ปรขันกับมีวิญญาณขันที่ตัวใจนะนั่งไปนานความปวดความมื่อยมันแทรกเข้ามาในร่างกายบางคนก็แทรกที่เอวมางคนก็แทรกที่หลังนะบางคนก็แทรกที่ขาบางคนก็แทรกที่คอที่ไหลมันตึงขึ้นมาค่อยๆดึงไป ได้หยุดที้นเไม่ปวดไม่เมื่อยความปวดความเมื่อยมาทีหลังเพราะว่าความเปิดความไม่แต่ร่างกายเนี้คนละอันกันแล้วความเปิดความไม่ก็เป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้านะไม่ใช่จิตหรอกจิตไปรู้กันเข้าแม้เรจะแยกได้สามขันแล้วนะพอมากิดมันไม่มากๆนะอยากทึ่งรกทนเอาหนอยากได้ของดีพึ่งต้องต้องอดทนเอาไว้นะนั่งให้มันปวดแท้มากเลยนะแบบจนกระท่างจิตใจกษัตริย์ะส่ายเลย เราจะเห็นเลยว่าร s s gone, ่างความปวดมันอยู่ที่ร่างกายนะความกระสับกรสายมันอยู่ท <por> <vents anut weed> ี่จิตและความกระสับกระส่ายในใจเราทุรนทุไลในใจเรานะเดือดร้อนใจนะความปิดความเว้ยเนี่ยเป็นคนละอันกันนะคล้ายๆหักแย่หินะทีแรกก็กายกระใจคนละอันกันแล้วก็มีความปวดความเวยเข้ามาก็เห็นเลความปวดความเว้ยไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตใจเป็นอีกสิ่งหนึ่ง นะเพรามันเปิดไม่มากๆนะใจเริ่มทุรนทุรายอยากจะลุกแล้วลุกเหินลุกเหนนั่งต่ไปไม่ดีหรอกอย่างนี้มันทรมานตัวเองเป็นอัตตากิลมุถานโดยโลกพระเจ้าไม่ให้ทำนี่กิเลสหล่อข้างเส้นเลยนะออให้เราบรู้ทันความฟูแต่งของจิตเช่นจิตนั้นทุรนทุรายนี่คือจิตมีโทสะนะั่นแหะไม่สบายใจนะน้าหากดูเถินะเราจะแยกได้กายก็ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์ก็ส่วนหนึ่งนะ แ้วความฟุ้งดีฟุงช่วส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้ด้วยอยู่ส่วนหนึ่งแยกสี่ขันสัญญาขันเล่นไปก่อนอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเพราะสัญญาของเราตอนนี้มิตรตระ่านสัญญาของเราเที่ยนอยู่แล้วนะสัญญาของเราเที่ยนยังไงเ่าเห็นของไม่สวยไม่งามว่าสวยเล่างามเราเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงเราเห็นของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเรอเห็นของไม่ใช่ตัวใช่ตนว่าเป็นตเป็นตนแล้วสัญญาตอนนี้ยังรตระรานอยู่อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเดียวจวิตรานมากกว่าเรา นะบางคนมันฝึกสัญญานะเห็นต้งเรียกว่าเก้าอี้พยายามเทียนอย่า ง, งนี้เพียนเลยนะสุดท้ายต้อให้หมอโรคจิตรักษาเลยนั่นนั้นยังต่อยมันยยมนยยั่งสัญญาให้ดูตายดูความรู้สึกสุกเนะสุกเทีท่็อยู่ที่ร่างกายก็ได้อยู่ที่จิตใจก็ได้นะหัดยู่ไปให้ดูคามฝูดีฝูชั่วไม่จะโกรธแม่โกรธในวันนี้ใครเคยโกรธมันยกเงือซี่มีไหมเดี๋ยวพ่อจะยกด้วย ใครเคยเบ้างรู้จักเลาไหมบ่เพื่อรู้จักฟุ้งซ่านไหมบอกพื่รู้จักหัวยูมือค้างไว้เลยอิจฉาเป็นไมอิจฉาเตีเป็นไหกวเป็นไหเซงเป็นหเซงกับกลัอก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมเซงกับเบือเหมือนกันหมไม่เหมือนกันทีเดียวหรอกงที่ไหคตรเซงะ่งเงยเซงเบคนเนี่ยเงเป็ดเงไก่อะไรคิดต่อไปอีกนะ ความรู้สึกตระเนี่ยพวกเรารู้ได้อยู่แล้วลองไปเดินหนึ่งบอกว่าการปฏิบัติไม่ยากแต่มันยากที่จะยากที่จะมาปฏิบัติที่ไม่ยอมดือวะนะอย่างคนสูตรเทียบนะขับรถอยู่ถูกเขาปากหน้าโกรธเวลาเราโกรธเราทำไมเราดูคนที่ทําให้โกรธใช่ไหมเมื่อใครมาด่าเราสักคนหนึ่งเราจะดูคนที่ด่าเราเราไม่ดูว่าใจกาลังโกรธ เนี่ยมันผิดกันตรงนี้เองพลาดกันตรงนี้เองเลยไปเมื่อฝนิี่ผ่านไม่ได้นะเมื่อจะไปเกลียดคํ า, าอยู่ข้างนอกเวลาเราเห็นผู้หญิงสวยๆมานะรู้สึกยังไงถ้าถ้าชายเห็นผู้หญิงสวยๆมาไม่รู้สึกชอบเวลาชอบแม่จะดูใจว่ากานัลชอบนะก็จะเป็นดูผู้หญิงที่เราชอบส่วนผู้หญิงถ้เห็นผู้หญิงสวยๆมาอิจฉา เกิดอิจฉาแม่มันวศกเราพ่อแม่เราไม่มีหัวสึกษาปัดเลยนะผลิตเรามานนาตาหน้าเกลียดเลยนะอิจฉาเวลาเราอิจฉาใครเราก็จะเป็นดึงคงที่ทําให้เราอิจฉาเราไม่รู้ว่าใจทําเราอิจฉาอย่งแค่นี้เองอะนะต่อไปนะเมื่อว่าความมรูมสึกอะไรจะเกิดนะเราคอยรู้ทันตาเรามองเห็นจิตสศกจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วให้รู้ทันที่จิต เราได้ยเสียงนะจิตโศจิตทวชจิตตีจิตแช่ให้รู้ทันที่จิตได้ยินคนณผู้ชมจิตละพองเลยใชจิตละพองใจมันพองเรารู้ว่าจิตมันพองแล้วถูกเขาบ่าแล้วจิตมันเดือดคือปัุบันนะโมโหรู้ว่าจิตมันโมโหไม่ใช่รู้่าเขาด่าว่าอะไรนะรู้ว่าเขาด่าว่าอย่างว่าด่าพ่อด่าแม่ด่านั่นด่านี้เรื่เรื่องที่ด่าหรือว่ารู้สมมติบัญญัติแต่ถ้ารู้จิตที่มันโกรดว่าเขาด่านี่แหะ น, นี้เราเรียกนี้อารมณ์ปรามะนะอย่างนี้จะใจมกกักลนมีผานหุท่าดูของจริงดูกายดูใจของจริงเป็นอารมณ์ปรมะไม่ได้ถ้าเราจ่อไปนี้นะถ้าร่างกายเราเคลื่อนไหวใจเราก็เป็นคนดูเราเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราถ้าจิตใจของเราเกิดความเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายค อ, อยรู้ทันจิตใจค อ, อยรู้ทันความรู้สึก ข, ของตัวเองไปได้วย เราจะเห็นเลยจิตสุขมาแล้วก mm ็ไปจิตทุกข์มาแล้วก็ไปจิตว่าจิตโขจิตหลงมาแล้วไปจิตดีมาแล้วก็ไปทุกอย่างมาแล้วก็ไปหมดเลยเห็นแต่ความไม่เที่ยงโดยไม่ได้เรียกว่าการชนวนปัญญาเราจะเห็นในจิตใจไม่เที่ยงร่างกายเริ่มถูกความทร่งบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเรามาทดสอบร่างกายที่ถูกความทคร่งบีบคั้นกันดูแต่ทนี้ทุกคนหายใจเข้าหายใจเข้ายาวที่สุดเท่าที่จะทําได้ในชีวิตเลย ทุกไหมทุกมากเขาหายใจหอกให้มั้ยรู้ออกรู้ว่าหายจังหวะเพื่ออะไรเพื่อแก้ทุกของการหายใจเข้านะอย่าหายใจหอบไปเรือยๆสิต่อไปนี้หาใจออกเรือยๆอย่าหายใจเข้านะดูซึ่งก็สุขหรือทุกทุกไหมเรื่องความทุกนบีบคั้นเราอยู่ทุกเรื่องหายใจเข้าออกเลยหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกของการหายใจออกหายใจออกเพื่อแก้ทุกของการหายใจเข้า การที่เราต้องขยับตัวเปลี่ยนอยาบทเพื่อแก้ทุกข์ในอิรียาเถเติมนั่นแหละน่นมามันเมื่อยนะต้องขยับไปขยับมาขยับมากกอยังไม่หายนะอนอนเป็นนอนเลยนอนแล้วหายเมื่อยไหมหายชั่วคราวนอนแล้วเม่ยไหมมานแล้วทุกข์ไหมคืนหนึ่งคืนหนึงเนะี่ยคนทั่วทวไปเนะี่ยจะพลิกซ้ายพลิกขวาสามสิครั้งทําไมนอนแล้วต้องพลิกเพราะว่ามันทุกข์ เพราะมันทุกข์นะทำไมเราต้องขยับเพราะมันทุกข์นี่ยถ้าเรามีสติอยู่ในกายนะเห็นร่างกายเนี้ทุกข์ทั้งวันเลยหิวก็ทุกข์นะอิ่ก็ทุกข์นะกระหายน้ําก็ทุกข์นะกินน้ํามากก็ทุกข์นะหนาวก็ทุกขร้อนก็ทุกข์นะนี่โดยไปมีแต่ทุกข์ท่วมตัวอยู่เนี้ยนะเพราะฉะนั้นร่างกายเนี้จะแสดงตัวทุกข์นี้เด่นมากเลยส่วนจิตใจจะแสดงตัวอนิจจังอนัตตาเด่นจิตใจจะแสดงความไม่เชื่อ สสสแสดงอนัตตามายถึงบังคับไม่ได้เคยตั้งใจจะไม่เกิดไหมเคยตั้งใจไม่ว่าวันนี้จะไม่เกิดคนนี้เลยแล้วเกิดไหมครับยิ่งวันไหนตั้งใจมากยิงก่งโกรธมากเลยตั้งใจว่าจะไม่รักนะอไอ้คนนี้เคยจีบเราแล้วมาหักอกเรานะเราเป็นผู้หญิงหรือมาเป็นผู้หญิงเราจะจําไม่ได้คนนี้มาพูดอะไรเราไม่เอาอีกแล้วชาตินี้ไม่หลนคนมันอีกแล้ว ม, มาพูดไม่ถึง5นาทีก็ยื่งตามมันดิแล้ว เราใจว่าจะไม่เอาใช่ไหมคิดเอาว่าจะไม่เอาเสร็จแล้วก็ใจมันตบครับไม่ได้ผู้เกิรักก็อีกเนี่ยไปดูนะดูตายเราจะเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์หรือไม่ก็เห็นว่ามันเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนท่าเป็นอนัตาถ้าดูจิตเราจะเห็นแต่ความเที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวนะอะไรๆก็ชั่วคราวหมดเลยในจิตในใจนี้ เดินไปเรื่อยๆเก็จะเห็นว่าเราบังคับไม่ได้สั่งให้สบเขาไม่ได้ห้ามเพลอดเนไม่ได้สั่งให้ดีเขไม่ได้ห้ามชั่วเขไม่ได้ทําอะไรไม่ได้สักอย่างตรงที่ทําอะไรไม่ได้สักอย่างนี่เรียกว่าอนัตตาบังคับไม่ได้ในแต่การที่เราจะเจริญปัญญานะเราเรู้สึกตัวให้เป็นใจลายไปนะด้วยการรู้ทันจิตไหลไปคิดไปฝึกกรรมฐานอย่างหนึงก่อนว่าจิตไหลไปคิดเรารู้จิตไหลไปเพ่งเรารู้ จิตไหลได้คิดรู้ทานจิตที่เพียงลมหายใจรู้ทันเนี่ยในสุดจะได้จิตรู้พอได้จิตรู้แล้วก็ค่อยๆมาแยกร่างกายว่าส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์เ็นอีกสิ่งหนึ่งความดีความช่วยเลื่องผลหนุงทั้งหลายที่อีกสิ่งหนึ่งจิตที่เป็นอีกสิ่งหนึ่งเป็นคนดูค่อยๆเห็นดูไปพอแยกได้แล้วมันจะเห็นเลยร่างกายที่ถูกความทุกขบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุหลายขั้นหลายออกตลอด ส่วนจิตใจก็แสดงความไม่เที่ยง เ, เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตใจนี่แสดงการเป็นอ น, อนัตตาบังคับไม่ได้การที่เราเห็นกายเห็นใจเป็นไตรรักษณ์ไม่ได้ด้วยเห็นตามความเป็นจริงเห็นไปเรื่อยๆนะซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้าอีกไปจิตมันจะเบือ่อมันจะได้ว่าร่างกายไม่ใช่ของดีของไวิเศษจิตใจก็ไม่ใช่อของดีของวิเศษเนื่องแต่เดิมนมาอยากมีสมาธิจะได้มีความสุข พอเราไม่หัดเจริญสติเจริญปัญญาแล้วเราจะพบว่าคนสุง ข, ของ ส, ขของสมาธิเพิามซ้ำนิดเดียวสูงได้ก็ยังเพมได้อีกนะมิจตของไม่เที่ยงเจะเห็นเดงนมิจตของไม่เที่ยงมิจตของบังคับไม่ได้นะดูซ้ำแล้วซ้อีกนะเวันจเดือน7ปีดืซ้ำมันไปอย่างนี้แะถ้าตอนไหนฟุง้งซ่านโดยดไม่รู้เรื่องก็ทำการสงบเข้ามาสงบพอสมควรแล้วก็าาหัดหรือทจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานะจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นแล้วก็หัด แยกายแยกใจแยกธาตุแยกขันไปพอแยกธาตุแยกขันได้แล้วก็ดูรากขันแต่ละขันนะแสดงใจลักไปฝึกอย่างนี้แหละเรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายร่างกายเป็นของหน้าเบื่อหน่ายเพราะร่างกายมีแต่ตัวทุกข์จิตใจก็เป็นของหน้าเบื่อหน่เอาเป็นที่พึ่งไม่ได้เลยกระทั่งไปนั่งสมัธิหวังว่าความสมบจะเป็นที่พึ่งความสงบก็ไม่เที่ยงไม่ดุยละมีแต่ของเป็นที่พึ่งไม่ได้สอย่างเนี่ยดูไปนั้นจะเบื่อหน่า พอเบื่อหน่แล้วเราจะคลายความยึดถือคลายความยึดถืออะไรคลายความยึดถือกายคลายความยึดถือจิตใจนะคลายความยึดถือแลกระท่าความสงบของจิตใจเอามาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้มีแต่ของแปรปรวนนะอย่าเพิ่เห็นตามความเป็จริงจึงเบื่อหน่ายถ้าบ่อหน่ายจึงคลายกําหนัดคลความยึดถือเพราะใครายกหนัดจึงหลุดพ้นถาว่าในทางหลุดพ้นอะไรจิตนี่แหละหลุดพ้นจากกายนะจิตจะไม่ยึดกาย แต่ตรงที่จิตไม่ยึดกายนี่เป็นภูมิธรรมระดับพระอนาคามีนะนั่นพวกเราถ้าจิตยึดกายในเรื่องปกติถ้าเคยว่าจิตไม่ยึดกายท่านเกิดสอบกดมากเลยเพียงหรือเปล่าบางคนยังไม่ได้ขึ้นนิพพานเลยนะไปบอกไปดูจิต ด, ดูจิตมันไปเพ่งจิตมันว่างๆนิ่งๆอยู่ไม่เห็นจิตเกิดดับไม่เห็นใจรักดังนั้นไม่มีนิพพานะมันไม่ใช่ว่าดูจิตแล้วเป็นนิพพานเสมอไปนะต้องเรามานองใี่ดีดูจิตแล้วไม่ได้เห็นใจรักอนะ เห็นแต่เจ้าจิงวอนี้เป็นสมถะนะมีคราลงพ่าเวียนจากหวงปู่เดือนได้เจดเดือนเจ็ดเดือนมาวันหนึงไปฝ น, นตกละเบียดฝ น, นเบียดฝ น, นวัดหลวงพยุไปนั่งเลิกฝนอยู่ในกุฏิครั้งนั่งอ ก, งกงอดเขาไม่กา้านั่งฟับเพียบตัวเราเบียดเข้าเตัวเลยกอดเข่าไว้กะว่าพื้นมันได้เปียกในที่แคบๆหน่อยเสร็แล้วใจไม่กังวล ใจไม่กังวลว่าอ้าวปฝนเนี้ยต้องเป็นบาดแม่เลยเพราะใจกังวลว่าเราเคยรู้ทันจิตมาแล้วเราเห็นจิตในกังวลพอรู้ว่าจิตกังวลนะก็มาวนดับไปนะจิตวนอยู่ม า, มาโลกธานุดับนะพายุกำเปลีป่ยนเปลี่ยนตึงตังโทงความว่าฝนตุมตามทุ่ตามไม่เหลื อ, อะไรนะแล้วได้จิตดเดียวยวนๆหน่อยนะแต่ไไรายงานจากหลวงปู่ดุลในรายงานท่านนะผมดูจิตดูจิตอยู่นะ เห็นจิตในกังวลแล้วจิตนบุ่มปุ๊บมามันว่างไปหมดเลยนะเราตัวบอกว่ามันเข้าสมาธิแบบนี้ผมดูจิตอยู่นั้นไม่ได้เข้าสมาธิถ้าเราดูจิตเป็นสมาธิอัตโนมัตินะถ้าเมื่อไรไม่เห็นใจรักษณ์นั้่านั่นเป็นสมถะจำไว้เลยนะต้องแน่นนะตรงเนี้ยเงี้ยจะโดนขึ้นออกก็ซื่อสอนดูจิตเดียร์้ยอะนะ การดูจิตดูใจนำไปดูตัวจิตตรงๆเขาดูตัวจิตตรงๆมันก็เหมือนอย่าดูร่างกายที่หายใจเห็นร่างกายมันหายใจเราจ้องอยู่ที่ร่างกายมันเป็นสมถะต้องเห็นใจรักถึงจะเป็นมิตรศาสนาตัวนี้ต้องแม่นนะมิฉะเราไม่รู้เลยว่าเราหลวงธรรมสมถะอย่างบางคนดูท้องฟองท้องยุบท้งฟองท้องยุบเห็นอะไรเห็นท้องเหเท้าย่างเท้าเห็นอะไรเห็นเท้านั่นเป็นมิตัศสนาและสมถะสมถะเนะ เดยวจิตก็เหมือนกันวิจ้องใส่จิตนะอยู่าว่างๆไม่มีอะไรเลยอันนี้นสมถะนะเ้อเห็นใจรักที่จะเป็นศสนาเห็นใจรักทำอย่างที่บอกวห า, า, านแยกธาตุแยกขันธ์ไปแจิตจะเป็แค่คนดูพอจิตจะเป็นคนดูนะขันธ์นันแยกอยู่เห็นสติระลึกรูร้กายปัญญาจะเกิดว่าตายไม่ใช่ตัวเราจิตตั้งมั่นป็นคนดูอยู่สติระลึกรูปป้กาความสึกความทุกข์มันจะเห็นในความสุขความทุกไม่ใช่ตัวเรา ถ้าจิตตั้งมั่นอยู่สติไฟละรือพุ้นกิเลสหรือกุศลนะจะเห็นไามกิเลสรือกุลไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่สภาวธรรมนจิตตั้งมั่นอยู่เห็นจิตเกิดดับจิตก็เกิดดับนะจิตไม่ได้เทีนนะ่ยงถ้าเราได้ยินใครสอนว่าจิตเที่ยงต้วเป็นมิจฉาจิตจิตพร้อมพระพุทธเจ้าบอกจิ ต, ตวนนดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทัคือจิตไม่เที่ยงนะันนเาเห็นอ่าจิตก็ไ่เที่ยงเดีวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิด เดี๋ยวก็วิ่งไปดูดี๋ยวก็วิ่งไปฟังนะสามช่องใหญ่ๆนะวิ่งไปคิดเนี่ยมากที่สุดในแต่ละวันแล้วถ้าตาไม่บอดนะก็วิ่งไปดูรองลงไปก็วิ่งไปฟังสามช่องเนี่ยใช้ลานมากอายตนะสามช่องเนี้ยนะเวลาหยุดพูดสังเกตไหมคิดทันทีเลยใชไหมจะมีไปคิดนะส่วนใจญ่หนีไปคิ ด, นะ ส, คดสรุปนะสรุปอะไรครอบคลงการปฏิบัติทั้งหมดเลย ต้องถืศีลห้าไว้ต้องือศีลห้าถ้าไม่มีศีลห้าจิตจะฟุ้งซ่านต่อมาฝึกจิตใจให้ตั้งมั่นให้อยู่กันแน่กับตัวฝึกจิตใจให้เป็นพุกโ ธ, ธตัวจริงนะด้วยการทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้เรื้ทันว่าจิตมันหนีไปแล้วหนีจะชิดหนีไปเพ่งรู้ทันพอจิตตั้งมั่นแล้วนะหกากเยกกายแยกใจนะกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์อยู่ส่วนหนึ่ง แต่เราอยู่ส่วนหนึ่งแยกไปนะพอแยกไปแล้วนะให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางจิตที่เป็นผู้รู้นั่นเองนะฝึกแบบนี้มากมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งนั่นและเป็นกลางฝึกให้มากเลยปัญญาจะเกิดมันจะเห็นความจริงของกายของใจเมื่อปัญญาเกิดแล้วเนี่ยมรรคผลจะมาเองไม่มีใครสั่งให้มรรคผลเกิดได้มรรคผลจะเกิดทีต้นเองนะ แลก็เไปฝึกนะฝึกตามที่บอกนี้จาได้ไหมจาไม่คยจได้งนมากไมรู้แล้วเขามีซีดีแจกไหมมีซีดีของพ่อนะไม่ใช่ซดีเพลงอะไรนะถ้ามีซดีของพ่อไปฟังซดีของพ่อไม่เหมือนเพลงไม่เหมือนซดีของคนอ่เลยนะฟังแต่ละครั้งเนี่ยความรู้ความเข้าใจจะไม่เหมือนเดิม ไปฟังแล้วฟังอีกนะมีแผ่นดีก็ฟังมันแล้วฟังมันอีกฟังมันทุกวันนั่นแหละเรามความเข้าใจชีวิตเหมือนเดิมพอเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนแล้วเนี่ยต่อไปไม่ว่าจะฟังครูบาอาจารย์ดวงไหนสอนไม่ว่าจะอ่านคำพีตัมาธรรมะยึมไหนจะเข้าใจทั้งหมดเลยนี่คือความอัศจรรย์ของธรรมะ น, นะกล้าท้านะมาไปเราูสิมาไปฟังซีดีหลวงพ่อนะครับ ถ, ถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกปุ๊บนะ เรเข้าใจทั้งหมดนะเข้าใจสิ่งที่พ่อที่เจ้าสอนเข้าใจสิ่งที่คือบาอาจารย์อื่นๆที่เราเคยฟังแล้วไม่เข้าใจจะเข้าใจหมดเลยเดี๋ยวนี้คือเท่าสํานักวิปัดสิสานักอภิธรรมนะสํานักอภ่ธรรมหลายแห่งเลยรู้สึกเรียนในงาแรกที่เขาให้นะครับคือฟังซีดีของพ่อนะพ้ฟังแล้วหัดเห็นสภาวะจริงแล้วไปเรียนอภิธรรมเยอะหนมากเลยคือเป็นเรื่องของสภาวธรรมทั้งนั้นนะเนี่ย ยุคที่เราหักนะฟังซีดีให้มากเลยฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วอยากคิดมากบางคนฟังแล้วเข้าใจอย่างรวดเร็วบางคนฟังแล้วไม่เข้าใจสักทีใช้เวลานานพวกที่ฟังแล้วเข้าใจเร็วผู้ฟังลิ้นผู้ที่ตั้งใจจะฟังแล้วจับประเด็นนั่งจดนั่งนึกชั่วนั่งผู้นี้คิดมากไม่ค่อยเข้าใจหรอกของง่ายใจเป็นยากไปหมดเลยดั้นเวลาฟังซีดีหลวงพ่อนะฟังสบายใจ รเมื่องกับฟังไม่รู้เรื่องกับฟังวันหนึ่งก็รู้ของมั น, มนมเองนะไปใส่ฟังกันนะชีวิตของเราจะเปลี่ยนในเวลาเดือนห น, น, นึ่งสองเดือนสามเดือนนี้คนจา น, นว่ากเขาเปลี่ยนตัวเองมาแล้วนะมาเราให้โอกาสแห้ชีวิตของเราเองดูวันนี้เรางพ่อเท่ธรรมนี้พอแล้วนะการเลือกภรรยา้องมาเลือกอางท่ดีดนะหลวงพ่อพู ดามอยากขอให้พ่อจารุโกรธเมตตาชิ้แนะแนวทางกติบัติไม่ใช่ได้หรุกค่อยขันพระแยกนะตัวรู้มันก็มีคต่อไปก็ดูมันทํางานไปคเขียนไหมจิตที่ถึงฐานเนีจิตที่ไม่ถึงฐานมันไม่เหมือนกันหรอกจิตที่หลงคิดกับจิตที่รู้ไม่เหมือนกันหรอกเมื่อเราได้จิตที่ตั้งมั่นรู้ทันแล้วดูมันทํางานไปได้ดูกายทํางานดูใจทํางานไปนะ จิตฟุ้งซ่านดูออกไหมอ้อาวค่ะเออจิตฟุ้งซ่านหรือ ว, ว่าฟุ้งซ่านเนี่ยโดยอย่างนี้เลยนะถามเรือ่องมัศการหลวงพ่อแค่ยาแก่ขอแนะนําจากเขาแนะนําจากหลวงพ่อนะคะหรือว่าจะแนะนําอะไรลงได้นะแวนได้หาอย่างนี้ก็ใช้ได้อยู่นะได้ใช่แต่ว่าอย่าให้ใจไปค้างว่างๆอยู่ ถ้าใจมันค้างว่างมันจะออกนอกนะ<ช>มันจะเหมือนใจอยู่ข้างนอกว่างๆโล่งๆนะ<ช>อยู่อย่างนั้นเป็นปีมีความสุขแต่ใดที่ไม่ย้อนมาดูกายไม่ย้อนมาดูใจไม่เรียกว่าจเจริญปัญญาอยู่<ช>นะง<ช>ั้นถ้าจิตไปค้างว่างอยู่ข้างนอกแล้วก็นิ่น้อมกลับเข้ามาดูกายดูใจใ<ช>นะ<ช>ไปเอาตัวนี้แหลนะ ราบมิมสันการขอโอกาสเจ้าค่ะเป็นผู้ศึกษาและปฏิบัติขอคำแนะนำจากหลวงพ่อแล้วขอถามปัญหาว่าการแยกจะเล็ยแยกกายและจิตแยกจิตออกจากาอารมณ์ที่หลวงพ่อสอนขอหลวงพ่ออธิบายให้หัวข้อนิดหนึ่งค่ะคือสามารถได้รีดูอย่างนี้นะว่าจิตของเราเนี่ยตั้งมั่นพอหรือยังถ้าจิตเรายังไม่ตั้งมั่นเนี่ยจะแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ได้นะ แล้วเราก็มาฝึกจิตให้ตั้งมั่นในการทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ฝึกตัยให้เยอะเลยนะแล้วไปฝั่งซีดีต่อจะแยกเองอย่างนี้ไม่ยากหรอกอเพราะมัเราแต่คิดเนาะเนี่ยสังเกตไม่ใจไปหนีไปคิดแล้วใจมันชักท้อแท้อะไรอย่าเนะีรู้ขึ้นมาแนละ้วรู้ทันมันก็ไปค่ะรู้ทันแล้วท้อใจอะไอย่างเงี้ยรู้ทันมันเห็นมันทํางานได้เองนั้นดูไป ให้ดูจิตที่มันทํางานหรือจิตที่มันรู้ตอนได้เนี่ยรู้ทันจิตที่หนีไปก่อนจิตที่หนีไปคิดนะรู้ให้บ่อยๆค <c oughs> แล้วต่อไปจิตมันจะปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุกปรุงทุกขมันเห็นเองหนอเนี่ยตอนนี้เห็นไหมลืมกายลืมใจแล้วเห็นไหมเพราะอะไรเพราะมันหนีไปคิดมันจะรู้เรื่องที่คิดเนี่ยขนาดเนี้ยมันนีไปคิดแล้วเห็นไหมพอเวลามันหนีไปคิดปุ๊บมีกายลืมกายมีใจลืมใจ งั้นชาวมิเนรีนะรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตนี้ไปคิดรู้ทันตัวนี้เป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัตินะถ้าหากไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้อย่างแท้จริงนะเดินปัญญาไม่ได้จริงหรอกขอบคุณค่ะพิธีมหการค่ะท่าอาจารย์อยากขอคำชี้แนะและยืนยันเช่นกันค่ะคือขอานอาจารย์ ที่พระอาจารย์เมื่อสี่ตดือนก่อนพระอาจารย์แนะนําให้ไปรู้รูทันความคิดที่มากพี่สุดแล้วก็พยายามฝึกตรงนั้นสีเดือนค่ะดีหน้าตรนนี้ก็ เ, เวลานอกแป๊บหนึ่งได้ไหมอาจารย์ไม่ได้รีเมื่อกี้ทําอะไรสังเกตไหมจิตมันหนีไปมันถล่มลงไปดูนะจิตมันเคลื่อนไปให้เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตเคลื่อนให้รู้ว่าจิตเคลื่อนนะ แต่ไม่บังคับว่าห้ามเคลื่อนเคลื่อนแล้วรั่วเคลนไม่ห้า ม, มต้มีตัวต้องมีตัวรู้อยากไปจงใจตั้งตัวรู้ถ้าจงใจตั้งตัวรู้ก็ผิดอีกเนาะอ่ะว่ามามีความเพียรพยายามรู้ตัวมากขึ้นเออบางครั้งก็ลงไปคิดเป็นกิเลสบ่อยไหม บ่อยมากโอ้ได้เห็นกิเลสรู้สึกว่าบางทีมันเผือไปถลํ่อไปตามความรู้สึกไปมันรู้สึกแน่นแน่นแล้วก็รู้อีกว่าเอ้แน่นแล้วกลับมาใหม่เออเอาแค่รู้เอาเป็นกลางกลางพยายามหาคําว่าจิตตั้งมั่นกับกลางกลางเนี่ยคือปรับเข้าปรับออกอยู่ตรงนั้นนะคะอย่าไปปรับมันก็แค่แค่รู้แค่รู้อย่างที่มันเป็นนะที่ทุกมันมีจุดอ่อนนั้นเองค่ามันฟุ้งเก่ง S <S นะถ้ามันฟุ้งเก่งเนี่ยถ้าเราดูอะไรไม่รู้เรื่องแล้วก็พุโทโธไปหายใจไปเลยนะให้จิตมีที่พักผ่อนใะห้จิตสงบมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็ค่อยมาดูหนีไปเรารู้หนีไปเรารูนะเพราะว่ามันยังฟุ้งเก่งอยู่เวลาเราเดินปัญญานะ่จิตจะฟุ้งสั้นเด่นปัญญาสัา้นเวลาเราเดินปัญญาเนี่ยเดินไปสักพักเนี่ยจิตจะฟุง้งกลับมาทําความสงบสงบมันสงบมันอารมณ์บอล ข้าพเจไปตะลุมบอลข้าพเจ้าพาข้ากลับมาูมีคนบ้านแล้วก็มีการใช่ตั้งมัานให้สบายใจนะไม่ตั้งแข็งๆนะข้าให้สบายมีควมเนรค่ะเป็นบ้านที่มาน้เราจะจิตจิตของกายนั้นั่งบ้านมาเราจะตั้งบานด้ที่บังบังแต่เราไ้่บางที่กายกอดหูไม่ได้เราจับแตจิตเลยค่ะเราเลือกไม่ได้ สติจะรู้กายแล้วก็รู้กายสติจะรู้เวทนาก็ได้จะรู้จิตสังขารก็ได้นะจะรู้ตัวจิตจริงๆก็ได้แล้วนะแต่สติจะเป็นไปเพราะสติเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้งั้นพืภาวนากระหลวงพ่อนะพอพานักเป็นเนี่ยจะไม่มีว่าสายกายหรือสายจิตนะ <c oughs> ไม่มีสายเพราะบางทีสติก็รู้กายบางทีสติรู้เวทนาบางทีรู้จิตบางทีรู้ธรรมนะเลือกไม่ได้ แต่ว่าทั้งหมดไม่ว่าสติจะไประลึกรู้อะไรปัญญาก็เห็นใจลักอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างที่สติไปเห็นเห็นสติระลรู้กายเห็นกายเป็นใจลักเนี่สติรู้เวทนาเห็นเวทนาเป็นใจลักสติรู้จิตต่างขานปรุงดีปรุงชั่วเห็นปรุงดีปรุงชั่วเป็นใจลักเนี่ยถ้าเห็นใจลักอยู่ในใช้ได้แล้วนี่เป็นความคิดอย่าพิจารา <ง ains>อย่าไีข <š ant> ึ้นขงมันดู้รู้รูขึ้นมาเอางเนี่ย <ged uld> อยังเราเห็นเนี่ยความโกรธปุ๊ขึ้นมาต่อหน้าต่ตาแล้วก็ดับไปต่อหน้าต่ตาเนี่ยมันเห็นใจรักแล้ว <f San> <f uss> แต่ขยมปัญหาใหญ่คือมันยังฟุง้งอยู่ยังชิดเก่งอยู่นะั้นทุกวันแต่เวลาทําความสมบางบมั่งพุโทโธพุทโธบ้างนะให้จิตใจได้พักผ่อนจิตใจรู้เนื้อรู้ตัวสบายๆนะ กำลังพัลส์กลิ่นหรือไม่หรือคะตอนนี้ไม่รู้ว่าจิตหนูพอจะเข้าบ้านได้บ้างหรือยังคะเข้าเป็นวันๆวันบางเวลาก็หนีเลยนะอ๋อใช้ได้อ๋อย่างนด้นอย่านัมีลอยอยู่ใช่ไหมะอับสี่เราครบไหมก็คิดว่าครบนะคะโอ้ถ้าสี่้าครบเนี่ใช้ได้แล้วนะจิตใจอยู่กันแล้วก็ตัวบ่อยไหมก็บ่อยครับเออหลนานไหม บางครั้งก็นานบางครั้งก็เลยทำสูกบางคนบอกว่าคือหลองเลยหลวก็เคยเจอนะคนหนึ่งบอกว่ารู้สึกตัวไว้เขาสะบัดหน้าใส่หลวงพ่อเดี๋ยวฉันนี่คือหลองเลยมาเห็นแล้วว่อเสียสี่อดเลยนันหลังสุดยอดเลยมันไม่รู้อย่างงี้ถ้าดูเต็มน่ยจะรู้เลยบางทีมันก็หลงยาวบางทีมันหลงสั้นเราเลือกไม่ได้ดอกนะแต่อย่าให้ยาวจนหน้าเกลียดที่<อ>แล้วกอนก้าวหน้าอยู่แล้วละ่ะ นะจากไม่มีศีลก็มีศีลเมีสมาธิคือใจไม่อยู่กับตัวเองมาอยู่กับตัวเองบ่อยขันก็แยกเห็นไหมขันก็แยกเป็นนะอย่างนี้ถลันไปดูอ๋อค่ะนะอย่างนี้ไม่เอาว่าจิตมันไหลเข้าไปดูเนี่ยจิตมันชอบไปหาแล้วจิตมันไหลเข้าไปกวนให้รู้ทันจิตจะได้ตั้งมั่นขึ้นมาอย่าทําอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นออกมาหยนบฝันหยิบหวาน ใส่ใจไม่ตื่นเต้นใหญ่แล้วะอรู้ว่าตื่นเต้นแค่นั้นแหละ<อ>รู้อย่างที่มันเป็นอย่าไปเพ่งอย่างนี้เพ่งอันนี้เพลงเหรอใช่ไหมเพลง<อ>เพืราจะแน่นแนๆๆ่การรู้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะออืแต่รู้ที่แท้จริงนะไม่เผลอแต่ไม่เพ่งเรียอยู่โดยที่ไม่ได้บังคับให้รู้ไม่ต้องประคองรักษา <ๆ S 2> ถ้าอยากรักษาตัวรู้อยู่ไม่ใช่รู้จริงมันจะแน่นแน่น ถ้าตัวรู้จริงนะมันจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานเออต้องอย่างนั้นอาตับไปโอดอะไขอบะคุณแมใช้ได้นะดีนีรลูกศิษย์ถ้าท่านกดแก้ว่ะมันใช่ไหมเห็นหน้าแล้วก่อรู้นะว่าหลวงอนตะกปฏิบัติอยู่ไม่รู้ว่าทำถูกหรือเปล่าปฏิบัติมันก็ถูกเลยทั้งได้ปฏิบัติที่ผิดซิ แม่ชีเห็นจิเลเรศ่อยไม่ล่ะก็ไม่นะคะไม่เห็นจิตเรศนตอนที่ทําอยู่นี้มันทําถูกหรลูกล่าวอะไรไหมคะมันก็ถูกตู่ผิดๆน้ามันธรรมดาแต่ว่าอย่างทุวันนี้พอเราพรวนามาถึงตรงนี้นะใจเรามีความสุขความสบายขึ้นมานะะเราก็เห็นเลยใจมันสุขใจมันสบายเราเป็นแค่ฟคนดูนะล้วก็เห็นเลยบางทีก็สบายมากบางทีก็สบายน้อยบางทีก็ไม่ค่อยสบาย ไม่ชีดูไปแค่นี้นะเดี๋ยวก็สุกเดี๋ยวเขทุกขเดี๋ยวเขเฉยเดีเป็นสามอันเท่านี้พอแลอ้วไปดูบ่อยๆนะปัญญามันจะเกิดใช้ได้ดีถ้าจะตายก็ไม่ต้องกลัวนะเราฟอนามาสักขนาดนี้ตายเราก็ไปสุขติใจสบายขออาจารย์ค่ะไม่ใช่ภร ย, ยค่ะยังเป็นส อ, สอนนี่ยต้องบอกชื่อ ที่นั่งไปห้านาทีนี้จะมีความสงบแล้วก็มีความว่างอืว่างแล้วก็ดูความว่างไปอืแล้วก็มีเจตนาเกิดมีชามีปวดในเก็บตามขาตามมะเขาแล้วก็จิตกำหนดแล้วก็ออกได้ไวแล้วก็มีเวลาปฏิบัติงานจิตเหมือนตอนนี้ไหมเหมือนใช่ไหมเหมือนแบบนี้อะไรใช่ั้มค่ะจิตตัวนี้จิตติดเพ่งมันจะนิ่งๆอย่างเงี้ยตลอดชาติเลยนะ ดีดวงคนนั่งไปไม่จะมีเป็นข้อกลุ่มแต่ก็มันสนเลยแต่ถนักของสมาธิทั้งหมดเลยนะะก็ไม่เห็นใจรักนะปล่อยที่ประคองไว้ให้นิ่งๆเนี่ยต้องปล่อยไม่สิ่งสังเกตไหมเราเห็นทุกอย่างแสดงใจรักไนะแต่มีกคนดูเนี้มันเที่ยงคนดูเนี้มันนิ่งๆอยู่คงที่อยู่ไหมมันเป็นสมวรวรักษาตัวจิตเอาไว้ให้เที่ยงอยู่นะถ้าปล่อยตัวนี้ให้มันทํางานด้วย อย่าไปรักษามันไว้ให้มันหลงเรารู้หลงเรารู้ดีกว่าตัวมันหลงเรารักษาไว้นะแต่ปฏิบัติตายนะก่านน้องจะมีอาการปวดสั่นหลังมากต่ว่านองจะมีอาการเบาสบายขึ้นเยอะสบายสิจิตม่เข้าสมาธิตัวก็เบาแล้วกายเบาใจเบาเบามากๆพอตายปุ๊บเนขึ้นในฝันมันโลกเลยโอเคมันเบามากเน่ยมันจะสาธวยปุ๊บ เมื่อก่อนในค้าขายก็เป็นความใจร้อนคัญมากช่วงนี้นีอะไรเกิดขึ้นก็เฉยๆค่ะเฉยหมดแหละเพราะมันติดสมาธินะอสอย่าให้ค้าภาษาที่อีกนะให้มันทํางานตั้งไหมคะที่ไม่ทีปฏิบัติอย่างนี้ถูกในเรื่องของสมาธิไม่ถูกในเรื่องของปัญญามันไม่เจริญปัญญาจริงตรงไหนเตือนมาด้วยค่ะ เพราะว่ามันมีตัวนิ่งอยู่จิตเรานิ่งเกินไปนจิตเนียกลายเป็นตัวเที่ยงจิตเนียกลายเป็นตัวสุขจิตเนียกลายเป็นตัวบังคับใจแทนที่จะเห็นว่าจิตนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกขเป็นนัตตานะนัะ้นอย่าไปประคองสมาธิเอาไว้ทั้งวันทั้งคืนนะพอะะใจสบายรู้ทันว่าสบายดูไปที่ความสบายจะเห็นว่าใจสบายอยู่ชั่วคราวหรือเดี๋ยวมันเฉย่ย ใจเดี๋ยวก็เฉยเดี๋ยวก็สบายเดี๋ยวก็เฉยเดี๋ยวก็สบายดีอย่างนี้นะถึงจะเห็นใจรักเออถ้าดูเอาเฉยเอาว่างสบายหลวงพ่ก็ทาเป็นเล่นมาแต่เด็กอยู่ได้ทั้งวันด้วยค้างไม่อย่างนี้เฉยๆนะมันจะทื่อๆก็ไม่ถ้านั่งถึงชั้นล่างนี้ปีติก็ดูตามไปสภาวะที่เกิดตามตัวนะคะมีปวดมีบ้ามีอะไรมันเห็นของอื่นหมดเลยนะมันไม่รู้ทางจิตอื นะจิตเรายังไม่มีคุณภาพพอที่จะจะิเจริญปัญญามันในยกลเป็นตัวจิตเนี่ยเป็นตัวสุขจิตนี้เป็นตัวตัวเที่ยงจิตนี้เป็นตัวที่บังคับได้ต้องให้เห็นว่าตัวจิตเองก็เป็นไทรลักษณนะ์ะต้องดูตัวนี้ให้ได้นะถ้ายังไม่เห็นว่าจิตเป็นไทรลักษ์แล้วก็ไม่ไม่ไปหรอกไม่ไปจริงหรอกสาธุปารณสการหลวงพ่ อ, พอเจ้าค่ะ ปฏิบัติมาได้สี่เดือนนะคะอืไม่แน่ใจว่าสี่เดือนสี่เดือนเออสี่เดือนทําได่อย่างนี้เก่งนะใช่ได้ค่ะเห็นไห้ว่ากายใจเป็นโคล่าชบางครั้งก็เห็นบางครั้งก็ไม่เห็นนะคะเออที่ถูกแล้วเห็นตลอดไม่ได้หรอกค่ะค่ๆดูค่ะก็ไม่แน่ใจว่าประคองไว้หรือเปล่าถ้าตอนเนี้ประคองใช่แต่ว่าพอหลุจะลงพ้อมจะฟุ้งมากกว่าประคอง ใช่ค่ะใช่ไม่บอกหรอกแลค่ะถ้ามันฟูงมากนะกด็ก <es> ก ด, กกดูร่างกายมันเคลื่อนไหวแล้วค่ะทำงานทํางานบ้านกวาดบ้านทูบ้านอะไรน่ะถ้าเห็นร่างกายมันทํางานใจเราเป็นคนดูฝึกเน้นบ่อยๆแล้ค่ะก็ฝึกกันวันที่หวง่อเคยสอในซีดีะค่ะว่าถ้าว่างจากทํางานก็จะเดินที่ทำงานรอบหนึ่งเนะี <c oughs> ่ยเดินค่ะเดินไปเห็นร่างกายมันเดินนะ กช่ค่าใจเราเป็นแค่คนดูไปสบายๆไม่รักษาตัวดูด้วยเองจะเป็นรักษาต็รด้วค่ะไม่ไ่ใจค่ะไม่ไม่ติดถ้าติดจะเป็นอย่างแม่ชีนี่แต่กันสุขอยากจะมาาว่ามันติดมันถามันะคลายไม่ไ้เลย่มีลวค่ะหลวงอยากปติสมาธิหนูฟูไ่ะด้จำ่ะไปทำต่อเพาะคนี่ตอนนี้จิตมันไม่ถึงฐานไหมมันกระจายมันฟู แล้วกัมกมา ร, ราศักดิ์อาจารย์ครับคือผมปฏิบัติก็คือเดินโกมมดูกายเคลื่อนไหวครับแล้วก็ตามที่คุณมาลีปารวงนะครับแล้วก็ระหวานนั้นก็จะดูการเคลื่อนไหวของกายครับดิดูไปจีบมันเตี้ยเนี้ยครับวอร์จีบมันตามเรื่องครับไปถามคุณมาลีวันนี้คเขาเมื่อกี้หลวงพ่อเขาเจ้า ที่ฝึก อ, อยู่ก็ใช้ได้นะแต่พระพุทธศาสนาคันมันได้แยกแล้วให้ดูมันทํางานไปอยากอยากได้ผลเร็วๆอยากเราไม่ได้หรอกดูมันเล่นๆไปใช้ได้ทีู่ฝึกอยู่ ต, ตอนนี้มันมันกลิ่นประคองมากกว่าความเป็นจริงนิดหน่อยนะเป็นแล้วปกติใครเจอหลวงพ่อเขาสั่นหมดอ่าเมื่อไหร เ ก, กิดวนะะัวนก า, นหหาลาหาลับพ่อแล้ครับใยสงครามนั้งพิมารีครั้งล่าสุดคุณมะลก็แน่นนว่าจเจริญปัญญาแต่ผมก็มาพิจารณาดูสภาวะมันก็ไม่เที่ยงเออไม่เที่ยงรับสู่ถื อ, องฟงุ้งซ่างเออดูไปแน้วฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงสงบก็ไม่เที่ยงนะโศกทุกข์ก็ไม่เที่ยงอะไรเลยเขไม่เที่ยงนะมันก็เจริญเมตตาหน่อยจเจริญเมตตางั้นเดี๋ยวมันออกไปลบลาค่าฟันนะ เจริเมตตาไปด้วยครับหลวงพ่แนะนําเรื่องการเจริญเมตตาในชีวิตประจาวันเจริญเมตตาแล้วคําว่าเมตตาคือคว่าเป็นมิตรเน่ยเมตตาคําว่ามิตรเนี่ยคำเดียวกันนะก็คําว่าไมตรีหมายถึงมีความรู้สึกที่ดีกับคนอื่นกับสัตว์อื่นกับสิ่งอื่นๆนะมองเข้าด้วยสายตาที่อ่อนโยนเป็นมิตรน่ิให้ความรุนแรงในใจเราเป็นทํางานขึ้นมาครอบงำใจนะคอยรู้ทันไปเรื่อย คิดตันบ้องตั้นชิดไปก่อนไม่ได้ให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขเลยนะนะสัตว์ทั้งหลายอยามีความทุกข์เลยนั่งนึกในใจเอาแล้วก็ไปดูคนที่เราชอบนะนึกในใจไอ้นีคนที่เราชอบมาคุยเขามีความสุขเลยนะนึกเหี้ยต่อไปก็ไปดูคนที่เราไม่ไมรักไม่เกลียดนะเึกให้เขามีความสุขนะนึกนึกมวยพ่อนในใจนะต่อไปก็ไปลองกับคนที่เราเกลียดดู จนเป็นสุขเป็นสุขเถิจ อ, อ, อย่างงี้นะนั่งเนี่ยสักทักเี่ยนะจนเป็นสุขเป็นสุขเถิดปลอยสุดท้ายก็ดีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราพบรู้ทันนะเออพารู้ทันใจเร า, จ, าจะได้สบายนะการเจริญเมตพานโดยเราทําจิตให้นิ่งแล้วปราศจากนิวรณ์แห้งเจริญเมตพานี้แหละจะไปทําให้ได้สมาธิไม่มีนิวรณ์นะในนิวรณ์ <S <S ที่คลุมไว้เนี่ยเป็นตัวโมหะเนี่ยนะจะค่อยหายไป ตัวนี้เป็นวิบากนะเป็นวิบากตัวโมหะตัวเนี้ยนะเพราะั้นเราจเจริญเมสตาให้มากเนี่ยมันจะหายไปคผมฟังสตีดหลวงพ่อพุทธคำอย่างที่หลวงพ่อพุทธบอว่าเจริญสติได้ตลอดเวลาทำงานสถานะล้วก็จะ<ก>เห็นสถานะรมยกเว้นเวลาทํางานที่ต้องคิดนะครับถ้าทํางานที่ใช้ความคิดจเจริญสติไม่ได้ นะถ้าทํางานที่ใช้ร่างกายเรากวาดบ้านนะเราเห็นร่างกายทํางานใจเราเป็นคนดูหรือเราเดินเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูอย่างนี้ได้ขนะองคุณดีขึ้นเยอะแล้วนะใช่ได้คุณพ่อแนะนําเนี่ยเดี๋ยวไปถามคุณมาลีดูเรื <c oughs> ่ิคุณมารี อ, อ, อ๋อยู่นี่เองนี่ น, นี่ไฟมันส่องเร็วพ่อเลยไม่เห็น อย่าง น, นี้เองหลพ่อก็แนะนำให้ปฏิบัติต่อเนื่องไปนะครับทำถึงแล้วล่ะที่คุณมาลีเขาบอกนอ ะ, นะแค่เราจเจริญให้ตาพิ่มขึ้นอีกหน่อยอใจเราจะได้ร่มเย็นแล้วโม่ไอ้นิวรันจะได้ไปนะให้ที่มัวมัวที่มันครอบเราไม่ไดไปมะมีกไหมค่ะค่ะวิวการนะครับหของพ่ อ, อยาม่าจะสังเกตเองจากความรู้สึกง่ะ ยอมไม่ทราบยอมปฏิบัติอย่างนี้จนชินน่ะอาจารย์จนรู้สึกวาตัวเองปฏิบัติถูกไหมค่ะอาจารย์หรือรู้สึกอะไรมันมันหนื่อยที่จะดูอยู่แล้วก็เออการปฏิบัติไี่ปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมตอนนี้มันมันมันล้วเล้าขึาน้นาอย่างนี้ในเขียนแม่ตัวดูมันทื่อๆอยู่นะค่ะอย่าไปรักษาตัวรู้รู้ตัวแล้วก็รู้ทื่ๆอๆอยู่นะ ปล่อยให้มันทำงานนั้นเป็นธรรมชาติยังยังดูแบบเดิมมีมีต่างตอบมากระตุ้นดูแรงไปดูสบาสบายถ้าดูแรงไปมันจะแข็งแข็งบางทีเจ็บเจ็บเลยนะเป็นเป็นร้าวตลอดอ๋อนะมอนดูแรงไปดูแรงละมันมากไปแค่ดูแต่แต่ดูแต่แต่ไม่ไหอย่าไปจ้องแรงแรงยืดจ้องเอาไปเอาตาย เวลาภาวนานะเนจะ้ามันเอาไปเอาตายนะเล่าลวกลาวนะ้าเลยนะค่ะเออให้ดูเล่นๆนะดูแต่แต่นิดเดียวดูแล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อ ย, อยรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างอย่าให้เผลอนานเท่านั้นเองที่ที่หลวงพอบอกเนี่ยามันยากอะค่ะมันยายมันก็เป็นทระอรหารต์เงินหมดแล้วนะ <c oughs> มันมัท่าทางมันมันจะมันจะเรดจะดูให้กันบ้านผนจิตชอบคล่ำควนนะไปดูในเวลามันคล่ำขวนอย่างอย่างนี้นะรม้ทันมันก็ไปเลยอย่าหลายให้มันคล่ำควนมันจะอ่อนค่ะแล้วมันจะหาที่พุ่งไปฝังพุ่งคนอื่นคนนึ่นนะให้เข้มแข็งไว้จิตคล่ำควนรู้ทันมันค่ะเอวไปฝึกอย่างนี้แหละ ไม่อยาไปเจ้ามันจนน่าหก้าวนะให้รู้แต่รู้แต่รู้ลัปล่อยรู้รัปล่อยขับไล่สกปรคทีแล้วเราให้ไปดองจิตที่มันไปละครับมีครั้งหนึงเราางเนี่ยมันจะเห็นเห็นเ่างาของเราที่โนแล้วมันก็ไปเห็นความชัที่คือที่มันหดจาตาเดิแล้วก็ไปเห็นมันนไปรสน ขลนากันนะข้อขนาะนาที่เห็นกายหนึ่งขนาดที่เห็นจิตเหมือนเราไปคิดเคลือนก็ดาดมาเห็นกายฐานหนึ่งตอนที่กับมาก็ไม่ดขับห้ามดึงแล้ก็มาจะมาความมือก็ความสุขขึนาในระดางที่เราปฏิบัติถูกแล้วหางใหม่ๆนะจะมีความสุขนี้อะไรความสุขดีช่วยขึ้นมาขึ้นเองนะต่อไปฝึกมากเข้ามากเข้าเห็นจะทุกข์ คือจุดหนึ่งนะเรีจะเห็นในนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรหลัดไปจะเห็นอย่างนั้นนะเจตีลายความยึดถือทีแล้วทำสุขแล้นผมถูกขบานใจที่ตั้งย่นันฟันหักไปในฟันตบานเส้นตั้งเลยนนะบาก็นตะบาน้ได้บุนเล็กน้อย าบุญใดประกอบด้วยสติบุญใดประกอบด้วยปัญญาที่จะเป็นบุญใหญ่นะเหมือนถ้าเราเลินกับบุญเหมนเมาบุญนะได้บุญเล็กน้อยครบุญถ้ามาช่วงอย่างนี้ไม่สามปลามาปรู้สึกต้องนั่งทันจนบางย่งมาแล้วก็หาแรงเพยแรงไปมันจไปมันจดูดััจะแน่นแน่นะครับให้รู้สบายสบายดูกายมนดูคนอื่น ดูใจสบายๆดูใจมันดูคนอื่นครับมันเห็นคนอื่นโกรธไม่ใช่เราโกรธคมันเห็นคนอื่นสุขไม่ใช่เราสุขมันเห็นคนอื่นทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์หรอกมันค่อยหันดูอย่างนั้นนาะครับมันมีอะไรเ้ายให้จิตเหมือนตอนนี้ก็แล้วกันครับตอนี้มันตอนนี้เพ่งออกไปมันแข็งๆเลยมันเหนื่อยครับแล้ว่นก็ครบชั้นำิด3ท่านแนะครับที่ได้ ส่วนกัร บ, บ้านนะครับผมก็ต้องขอกราบขอพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อปามากเป็นอย่างสูงครับ